วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29กันยายนพุทธศัก ร, ราช2567เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านสาธารชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทสฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้ พระธรรมคาสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพื่อจะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ชีวิตของตนการฟังธรรมนี้มีอนิสงส์หรือมีประโยชน์อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่ง จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมมาก่อนสองธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะกำจัดความนังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้สี่จะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาและห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสอา น, นิสงส์หรือประโยชน์ทั้งห้าประการนี้จะเกิดขึ้นได้ในขณะที่ฟังธรรมถ้าผู้ฟังฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบ คือร่างกายก็ต้องสงบควรต้องนั่งนิ่งอยู่เฉยๆไม่ควรทำอะไรวาจาก็ไม่ควรที่จะพูดคุยกันใจก็ต้องสงบไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะใช้คำบริลรรมพุทโธพุทโธก็ดีหรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ดีในขณะที่ฟังธรรม ไม่ควรที่จะกระทาควรจะให้ใจอยู่นิ่งๆเฉยๆฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจเรียกว่าการฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบกายสงบก็กายวาจาสงบก็เรียกว่าสีนใจสงบนิ่งก็เรียกว่าสมาธิถ้าฟังด้วย ศีลด้วยสมาธิสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องหรือความลังเลสงสัยต่างๆก็จะหายไปหมดไปเรื่องของความลังเลสงสัยนี้มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนในเรื่องที่เรายัางไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกาย เรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของนามธรรมาไม่ใช่รูปธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายจำเป็นที่จะต้องเห็นด้วยตาในคือใจตาของใจที่เป็นนามธรรมา แต่ถ้าตาในไม่ได้เปิดขึ้นมาก็จะไม่สามารถมองเห็นเรื่องราวต่างๆของการเวียนว่ายตายเกิดก็ดีเรื่องของการทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์ก็ดีเรื่องของการทำบาปแล้วไปนรกไปอบายก็ดีเรื่องราวเหล่านี้ต้องเห็นด้วยตาใน ตาทิพย์หรเรียกว่าตาใจใจนี้เป็นกายทิพย์ร่างกายนี้เป็นกายกายยาบกายที่ทำด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟแต่ใจนี้เป็นกายที่ทาด้วยธาตุรู้มีความสามารถที่จะรู้จะคิดจะจำอะไรต่างๆได้แต่ตาในนี้สำหรับปุถุชนบุคคลทั่วไป มักจะถูกปิดไว้ด้วยอำนาจของโมหะาอาวิชชาความโลภความความความไม่รู้ความหลงและความไม่รู้เรื่องราวต่างๆของใจการสั่งเทศสังธรรมของพระพุทธเจ้านี้ก็จะช่วยกำจัดความลังเลสงสัยในเรื่องของนรกในเรื่องของสวรรค์ได้ เพราะว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นด้วยตาในของพระพุทธเจ้าด้วยตาทิพย์ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติจิตตภาวนาซึ่งเป็นวิธีการที่จะเปิดตาในให้ปรากฏขึ้นมาเมื่อตาในที่ถูกปิดอยู่ได้ถูกเปิดออกด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนา สิ่งที่มีอยู่ภายในโลกทิพย์ก็จะเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาเหมือนกับร่างกายตาของร่างกายถ้าตาของร่างกายถูกปิดไว้ด้วยสิ่งปกปิดเช่นผ้าผ้าปิดตาก็จะไม่เห็นอะไรก็จะเห็นแต่ความมืดหรือสีเห็นแต่สีดำเวลาที่ปิดตาลงไป แต่พอเอาสิ่งที่มาปิดตาออกไปเปิดตาขึ้นมาตาก็จะสามารถเห็นสีอะไรต่างๆเห็นรูปอะไรต่างๆได้ฉันใดเรื่องของโลกทิพย์อกินรกนรกสวรรค์หรือบายเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตดวงใจนี้ ก็จะเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาสำหรับผู้ที่สามารถที่จะเปิดตาในเปิดตาทิพย์ขึ้นมาได้ผู้ที่จะสามารถเปิดตาทิพย์เปิดตาในได้ก็ต้องเป็นผู้ที่บาเพ็ญจิตตภาวนาให้แก่สมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะการบาเพ็ญจิตตภาวนานี้ เป็นการเปิดตาในเปิดตาทิพย์ขึ้นมาทำให้เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบายชนิดต่างๆไม่ว่าสัตว์ชนิดต่างๆที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบในรุกามภพบในรูปภ พ, ปพและอรูปภพก็จะเป็นสิ่งที่เปิดเผย ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเห็นถึงเหตุที่พาให้สัตว์โลกนี้ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนจะเห็นได้ว่าการทำบุญนี้จะทำให้ผู้ที่ทำบุญนี้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆการทำบาปก็จะพาให้ผู้กระทำบาสนี้ไปเกิดในอบาย สถานต่างๆได้แก่เดรัฉานไปเกิดเป็นเดรัฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นน ร, รกายบ้างไปเกิดเป็นนรกบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีจริงสําหรับคนที่มีตาทิพคนที่เปิดตาทิพขึ้นมาได้เปิดตาในขึ้นมาได้ก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในโลกทิพ แต่สาหรับผู้ที่ไม่มีตาในหรือไม่ได้เปิดตาในขึ้นมาก็จะไม่สามารถเห็นโลกทิพย์ได้ไม่สามารถเห็นสวรรค์ไม่เห็นสามารถเห็นนรกเห็นอบายได้ไม่สามารถเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกต่างๆได้ไม่สามารถเห็นว่าสัตว์โลกที่ทาบุญทากรรมแล้วจะต้องไป อยู่ในสถานที่ใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือเรื่องที่พวกเราที่ยังเป็นพวกตาบอดทางทางไงทางทางภายในอเรายังไม่เห็นโลกทิศกันเราจึงไม่แน่ใจว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังเช่นนรกเช่นสวรรค์นี้มีจริงหรือไม่เพราะว่า เราไม่มีตาในที่เปิดขึ้นมาตาในของเราตอนนี้ถูกปิดเอาไว้ด้วยความหลงด้วยความไม่ไม่มีความรู้ด้วยความโลภเขลาเบาปัญญาเนี่ยแต่ถ้าเรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตาสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยิน เรื่องราวของนรกเรื่องราวของสวรรค์เรื่องของการทำบุญเรื่องของการทำบาตเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นความจริงเพราะาท่านเห็นด้วยตาตาทิพย์ของท่านที่เกิดจากการปฏิบัติจิตตภาวนานั่นเองพวกเรายังไม่เห็นเพราะว่าตาทิพย์ของเรายังไม่ได้เปิดขึ้น เราเห็นแต่ตาของร่างกายเห็นว่าเรามีเพียงเรามีเพียงร่างกายแล้วถ้าหลังจากที่เราตายไปแล้วร่างกายตายไปแล้วใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกใครจะไปอบาย <Montreal> เราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้เมื่อเราไม่เห็นเราไม่รู้เราก็อาจจะไม่เชื่อในเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ก็ได้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้ เพราะเราคิดว่าเราเป็นเพียงร่างกายแลวเมื่อร่างกายตายไปแล้วร่างกายก็ถูกเผาไปกลายเป็นดินไปกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วใครล่ะที่จะไปรับผลบุญผลบาปที่เกิดจากการกระทาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ความเป็นจริงแล้วผู้ที่กระทาบุญและผู้ที่กระทำบาปนี้ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือผู้รับใช้ผู้รับใช้คำสั่งผู้ที่สั่งให้ร่างกายไปทำบุญทําบาปนี้ก็คือใจนี้ใจหรือกายทิพย์ที่เวลาที่ไม่มีร่างกายก็ยังอยู่ต่อไปอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้เป็นของที่ไม่ตายไปกับร่างกายแต่ถ้าเราไม่มีตาทิพย์ตาในเปิดขึ้นมา เราก็จะไม่เห็นเหมาะเรื่องของดวงวิญญาณต่างๆนี่คือสิ่งที่คนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจิตภาวนาจะไม่รู้จะไม่เห็นคือจะไม่รู้เรื่องของใจที่เป็นกายทิพใจผู้ที่เป็นผู้กระทำบุญและเป็นผู้กระทาบากและเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจที่ที่มืดบอดก็จะรู้เพียงแต่เรื่องของร่างกายและคิดว่าร่างกายนี้เป็นผู้กระทำบุญเป็นผู้กระทำบาปถ้าจะรับผลบุญผลบาป ก, ก็รับในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เช่นถ้าทำผิดกฎหมายก็อาจจะถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารางถ้าทาความดีทาบุญก็อาจจะได้รับการยกย่องได้รับ การสรรเสริญได้รับรางวัลต่างๆแต่ผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่นี้ก็ไม่ได้เป็นผลที่แน่นอนเพราะว่าบางครั้งบางคนทำบาปไปแล้วทำผิดกฎหมายไปแล้ว <S <S <inya> ก็อาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษก็ได้นอกจากไม่ถูกลงโทษแล้วอาจจะ ก, กลับมาได้รับรังวีรางวัลอะไรต่างๆก็ได้ ในทางตรงกันข้ามคนที่ทำความดีทำบุญก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้เจริญในด้านลาบยศสรรเสริญไม่ได้ร่ารวยขึ้นไม่ได้มียศมีตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่อย่างใดก็ได้เพราะนี่เนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรื่องของบุญของบาปผลของบุญของของบาปโดยตรงเป็นเรื่องของของการกระทาของทางโลก ที่มีเหตุมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่มีแต่เรื่องของบุญละของบาเปเพียงอย่างเดียวจึงทำให้คนที่ทําดีอาจจะไม่ได้รับผลดีไม่ได้รับความเจริญในราบยศสารเสริญสุขก็ได้หรือคนที่ทําความชั่วทำบาปกับได้รับความเจริญทางด้านราบยศสารเสริญสุขก็ได้ เพมัมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่มาเกี่ยวข้องด้วยจึงไม่ควรที่จะไปมองผลของการทําบุญและผลของการทําบาป ท, ที่ร่างกายในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เพราะความเป็นจริงแล้วเรื่องของบุญเรื่องของบาปนี้ผู้ที่กระทำบุญผู้ที่กระทำบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเอง ดังนั้นร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปโดยตรงผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปก็คือใจรับทั้งขณะที่ยังร่างกายยังมีชีวิตอยู่และรับหลังหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเช่นเวลาที่ใจสั่งให้ร่างกายไปทำบุญไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมไปฟังเทศฟังธรรม ไปทำความดีต่างๆสิ่ ง, งที่จะผลที่จะเกิดขึ้นทันทีก็คือความสุขใจๆๆความสุขใจนี่แหละเราเรียกว่าบุญเกิดที่ใจเพราะใจเป็นผู้กระทำไม่ได้เกิดที่ร่างกายไม่มีความสุขความทุกข์ทางร่างกายเปลี่ยนแปลงตามไปกับการกระทำความดี <ๆ S 2> การกระทำบุญต่างๆของใจเพราะร่างกายไม่ได้เป็นผู้ที่ เป็นผู้ที่กระทาโดยตรงร่างกายเป็นเพียงเหมือนกับเป็นเครื่องมือของใจอีกทีหนึง่งเหมือนกับเวลาที่คนขับรถไปชนเกิดอุบัติเหตุอาจจะทำให้คนตายขึ้นมาเจ้าหน้าที่จะไม่จับรถยนต์ไปลงโทษเพราะเจ้าหน้าที่รู้ว่ารถยนต์นี้ไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำเป็นเพียงแต่เป็นเครื่องมือของผู้กระทา ผู้กระทาก็คือคนขับคนขับนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องไปรับโทษเวลาขับแล้วเมาเมาแล้วขับแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็จะจับคนขับมาวัดดูปริมาณของแอลโกอฮอล์ที่มีอยู่ในเลือดว่ามีเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการมึนเมาไม่สามารถควบคุมการขับยานยนต์ได้อย่าง ปลอดภัยหรือไม่ถ้าเห็นว่าปริมาณสูงกว่าเกณฑ์ก็แสดงว่าผู้ขับนี้มีอาการมึนเมาโทษก็อยู่ที่ผู้ขับรถไม่ใช่อยู่ที่รถยนต์ฉันใดนั่งกายใจกับร่างกายก็เป็นอย่างนั้นร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งส่วนใจนี้ก็เป็นเหมือนคนขับรถยนต์ขับร่างกาย สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆสั่งให้ร่างกายไปทำบุญสั่งให้ร่างกายไปทำบาปผู้ที่จะมาให้ผลบุญผลบาปนี้คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้จะรู้ว่าใครเป็นผู้กระทาจะรู้ว่าน่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทาบุญหรือเป็นผู้กระทาบาปเป็นเพียงแต่ผู้รับใช้รับคําสั่งจากผู้กระทาอีกที กฎแห่งกรรมก็จะไปลงโทษหรือให้ให้ให้คุณให้ประโยชน์ให้คุณให้โทษกับผู้กระทำ<ม>คือใจ<ม>ถ้าใจทำบุญกฎแห่งกรรมก็จะทำให้ใจเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมามในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่<ม>ถ้าทำบาป<ม>กฎแห่งกรรมก็จะให้ใจนี้มีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจ อันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ได้กระทำบุญหรือกระทำบาปไปผลคือความรู้สึกสุขทุกข์จะปรากฏขึ้นมาภายในใจและผลที่ตามมาต่อไปก็คือความเจริญหรือความเสื่อมของจิตใจก็จะก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับตาม ปริมาณของการทำบุญของการกระทำบาปคือถ้าทำบุญใจก็จ ะ, จะเจริญขึ้นจะสูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ก็จะขึ้นไปเป็นเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆก็จากการทำบุญทางความดีต่างๆเช่นทำบุญทำทานการฝึกสตินั่งสมาธิ การฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาอันหลังนี้จะเป็นเหตุที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์มนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลําดับต่อไปอันนี้ก็จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ได้ทําความดีชนิดต่างๆในทางตรงกันข้ามถ้าทําบาอื ด้วยวิธีการต่างๆด้วยสาเหตุต่างๆใจก็จะเสื่มลงไปเป็นเป็นสัตว์ที่อยู่ในอบายสี่สถานด้วยกันคือถ้าทำบาลด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปเช่<_><_>นท ร, รมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการทำบาปเพราะคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการดำรงชีพถ้าไม่ได้ทำบาปแล้วก็จะอยู่ไม่ได้ ก็ต้องทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจิตใจก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานถ้าร่างกายตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดราฉานต่อไปออถ้าถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้อะไรมากๆอยากมีอะไรมากๆอยากเป็นอะไรสูงๆใหญ่ๆโตๆเป็นโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ กทำด้วยวิธีทุจริตทำด้วยวิธีทำบาปชอ่อโกงลักทรัพย์หลอกลวงอะไรต่างๆ mm hmm. การทำบาปด้วยความโลภนี้ mm hmm. ก็จะทําส่งให้ดวงวิญญาณนี้ mm hmm. ก็กลายเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยทุกอยู่กับความหิวโหวยตลอดเวลาเพราะความโลภนี้ mm hmm. มันไม่เคยให้ความอิ่มความพอไม่เคยให้ความสุข mm hmm. มีแต่ให้ความทุกข์ที่เกิดจากความ ไม่พอก็อจากความไม่อิ่มก็จากความ <im> ห, หิวโหยดงวงวิญญาณชนิดนี้เราเรียกว่าเปรตแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนอันนี้ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวหลอกหลอนตลอดเวลาเรียกว่าเป็นอสุ ร, รกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรมดวงวิญญาณชนิดนี้ก็จะไปนรกถูกไฟนนไฟไฟนรกคือความร้อนที่เกิดจากการอาฆาตพยาบาทเผาผลาญอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือผลที่จะเกิดจากการกระทำบาปผู้กระทำบาปก็คือใจใกายทิพนี้ใจ กายทิพย์นี้ไม่ได้ตายไปกับกายยาบคือร่างกายร่างกายนี้เป็นกายยาบแล้วก็จะอยู่ได้ไม่นานไม่เกินน้อยปีเป็นส่วนมากก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปส่วนใจนี้คือกายทิพย์นี้ไม่ตายไปกับร่างกายไม่ย่อยสลายไปเพราะใจเป็นธาตุธาตุดียวธาตุที่ไม่ไ ผสมปรุงแต่งกลับอะไรขึ้นมาก็เลยไม่มีการที่จะแยกสลายใหญ่ที่เป็นธาตุโลกนี้ก็จะมีแตกไปรับผลของบุญหรือของบาปที่ได้ทําเอาไว้อันนี้แหละคือเรื่องของผู้ที่กระทําบุญหรือกระทําบาปและเรื่องของผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปก็ก คือกายทิปนี้คือใจออการทำบุญการทาบาปก็จะส่งให้ไปเกิดอยู่ในเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆโลกของดวงวิญญาณคือโลกทิปนี้เป็นอย่างไรหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็สามารถที่จะพอประมาณเอาได้จากช่วงเวลาที่เรานอนหลับกัน เวลาที่เรานอนหลับนี้ร่างกายก็เหมือนกับตายชั่วคราวขณะที่เรานอนหลับนี้ร่างกายไม่ได้ไปทำอะไรไม่เหมือนกับตอนที่ตื่นพอตื่นเราก็จะใช้ให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับพอถึงเวลาหลับนี้ใจไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการไปหาสิ่งต่างๆมาเสบสุข ไม่ได้ไปไม่ได้ใช้ร่างกายไปหาราภยศสำลักแสนไม่ได้ไปหาใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสปุพระชนิดต่างๆมาเสพใจ ต, ตอนที่นอนหลับก็เหมือนคนตายคนตายก็ดวงวิญญาณก็อยู่ในโลกทิพย์แล้วก็เสพบุญเสพบาปเสพของเสพผลบุญเสพผลบาปที่ได้กระทำในขณะที่มีชีวิตอยู่ ฉันใดตอนที่ร่างกายนอนหลับนี้ก็ก็เหมือนกับตอนที่ร่างกายนี้ตายไปชั่วคราวก็เหมือนตอนเหมือนเป็นคนตายเมื่อใจไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปเสพสุขจากราบยศสรรเสิญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าภชนิดต่างๆได้ใจก็เลยต้องเสพสุขจากบุญหรือบาปที่ได้กระทำไว้นั่นเองถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาป ก็จะได้เศษอนิสงส์ของบุญในรูปแบบของความฝันที่ดีราจะฝันแต่เรื่องดีๆฝันแต่เรื่องที่ให้ความสุขให้ความเจริญใจกับเราเ mm hmm. ช่นวันไหนที่เรานอนหลับแล้วฝันดีเนี่ย mm hmm. วันนั้นเราไปสวรรค์กันชั่วข่าวคืนนั้นเราไปสวรรค์กันชั่วข่าวหรือจะว่าเรากำลังเห็นหนังตัวอย่างของ พบชาติที่เราจะไปต่อไปก็ได้ถ้าเรานอนหลับฝันดีเรื่อยๆก็แสดงว่าเวลาที่เราตายจริง<ม>เวลาที่ร่างกายเราตายไปนี้ใจของเราก็จะไปสวรรค์สวรรค์นี้ก็คือโลกของความฝันดีๆนี่เองเราแดนเนลมิตก็ได้เนรามิต ด, ด้วยบุญและบาป ท, ที่เราได้กระทํากันไว้ยพอเรานอนหลับปั๊บมันก็เหมือนเราตาย พอเราตายเราก็ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปเสกความสุขชนิดต่างๆได้เราก็เลยต้องอาศัยอำนาจของบุญอำนาจของบาปเป็นผู้แสดงสร้างสร้างความสุขสร้างความทุกข์สร้างเรื่องราวต่างๆที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้กับเราได้เสกกันถ้าเราฝันดีนี่ก็แสดงว่า บาปที่บุญที่เราทำไว้นี้มีมากกว่าบาปฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ที่จะเป็นผู้สร้างความฝันที่ดีหรือฝันที่ไม่ดีถ้าบาปมีมากกว่าบุญเนี่ยเวลานอนหลับก็จะฝัน้ายกันฝันเรื่องที่ไม่ดีฝันเรื่องที่ทาให้เกิดความทุกข์เกิดความกลัวเกิดความไม่สบายใจต่างๆขึ้นมา อันนี้แหละเราจะเรียกว่าเป็นหนังตัวอย่างของภพชาติของเราก็ได้ว่าหลังจากที่เราร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนกันเราจะไปอยู่ในสวรรค์กันหรือเราจะไปอยู่ในอบายกันหรือเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เวลาฉานกันความฝันนี่แหละเป็นตัวที่เป็นเหมือนตัวทำนายชะตาการรมของจิตใจของพวกเรา หลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้ว น, นี่คือสิ่งที่เป็นจริงเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นกันเพราะว่าตาใยของเราคือตาทิศของเรานี้ถูกอํานาจของโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงนี้บกปิดเอาไว้ถ้าอยากจะมองเห็นความจริงเราต้องบําเพ็ญจิตภาวนา ควเป็นจิตจภาวนาแล้วเราถึงจะเห็นเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์สวรรค์ชั้นต่างๆอบายชั้นต่างๆและก็พบต่างๆที่มีแบ่งไว้สามพบด้วยกันคือมีการมาพบมีรูปรพบและอรูปรพบและรู้ด้วยว่าเหตุอันใดที่พาให้สัตว์โลกไปเกิดในพบต่างๆที่ไม่เหมือนกัน การมาพบนี้เหตุที่พาให้สา์โลกพาให้จิตใจนี้ไปเกิดในการมาพบการมาพบนี้เป็นพบของใครบ้างก็พบของมนุษย์ของเทวดาแล้วก็เป็นพบของสัตว์เดราชานเป็นพบของเปรดของหนสุรกายและของนรกเพราะสัตว์เหล่านี้ยังเสกกรามกันอยู่ยังหาความสุขจากการเสกกรามคุณห้า มือเสพรูปเสียงกลิ่นลดผดสะพอยูอ่ก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไปรับอนิสงค์ของบุญก็ไปเกิดเป็นเทวดาพออนิสง์ของเทวดาหมดลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเสพรูปเสียงกลิ่นลดผดสะพ้าใหม่ถ้าทำบาปตายไปก็ไปเกิดในอบาย ไ้เกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายหรือเป็นสัตว์นรกแลวหลังจากที่ได้ใช้ผลบาปหมดแล้วเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาหาความสุขจากการเสพลูกเสียงกิลดลถผ่านทางร่างกายใหม่ผู้ที่เสพกามอย่างนี้ก็จะเวียนกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบอยู่เรื่อ ย, อยส่วนรูปภพนี้เป็นภพของพรหม เป็นสวรรค์ที่เป็นสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเพราะมีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพเรียกว่ารูปภพเป็นภพของผู้ที่เสบรูปประชานรูปประชานก็คือผู้ที่ฝึกสตินั่งสมาธิจนสามารถเข้าสู่ระดับรูปประชานทั้งสี่ระดับได้รูปประชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พอเวลาน่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในรูปภพ ไปเสด็จความสุขที่ได้จากการาปฏิบัติจิตภาวนาฝึกสตินั่งสมาธิในระดับของสมถาภาวนาเข้าสู่ระดับรูก ป, ประชานได้ <c oughs> ก็จะไปเกิดในรูก ป, ประพบส่วนผู้ที่สามารถเข้าสู่ในระดับที่ลึกกว่ารูก ป, ประชานได้คืออรูปประชานอารูปประชานก็มีอีกสระดับด้วยกัน ผู้ที่สามารถเข้าสูงอรูปฌานอีกสี่ระดับได้เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปภพเป็นอรูปภพเป็นเป็นสวรรค์ที่สูงสุดที่ให้มีความสูงมากที่สุดแต่ก็เป็นสวรรค์ที่ชั่วคราวเพราะว่าเมื่ออํานาจของฌานเสื่อมลงจิตก็จะเลื่อนลงมากลับมาเกิดในกามาภพใหม่ พอเมื่อฌานเสื่อมลงการวัคคุณกามตัิหาที่มีอยู่ในใจก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะเดึงให้ใจนี้กลับมาเกิดในกมามะพบกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นรูปฌปานหรืออรูปฌานก็ดีไม่สามารถที่จะทําให้ผู้ที่ไปเกิดในรูปประพมในรูปประพบหรือในอรูปประพบนี้อยู่ในอรูปประพบหรือรูปประพบได้อย่างถาวรเป็นที่อยู่ชั่วคราว มือนกับสวรรค์ชั้นต่างๆของเทพก็เป็นที่อยู่ชั่วคราวควาอำนาจของบุญของทานที่หมดหมดกําลังลงก็จะเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พวกที่เคยทําบุญเคยเป็นเทพก็จะกลับมาทําบุญทําทานต่อพวกที่เป็นรูปประรูปประมหรืออารูปประพรมเมืม่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะไปบวชกันไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัตริรูปประชานหรืออารูปประชานตาม ที่เคยปฏิบัติมนาะเพราะว่าเมื่อเราเคยทําอะไรแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยจะทำจะทําได้ง่ายจะทําได้ถนัดและจะชอบทําคนที่ชอบเข้าฌานนูประฌานเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะไปเป็นนักบวชกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็อาจจะไปเป็นฤๅษีชีไพรไปอยู่ตามป่าตามเขาตามลาพัง ใครสวงหาความสุขที่เกิดจากการเข้าฌานเช่นเดียวกับผู้ที่เข้าอารูปฌปานก็จะกลับมาเกิดก็มักจะไปเป็นนักบวชและอยู่แบบนักบวชไม่เสพกาไมไม่สนใจกับความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสทศภาเพราะความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปฌานรปปราหรืออรูปฌปานนี้มันมีน้ำหนักมีความสุขมากกว่านั่นเองนี่คือผู้ที่ ปฏิบัติธรรมจะมีตาทิพย์จะมีปัญญาจะเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้มีสาเหตุที่ทำให้เป็นไปผู้ที่เสกกรรมก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบตายไปก็ไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายบ้างแล้วพอหมดอำนาจของบุญของบา ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำสิ่งที่เคยถนัด mm. เคยชอบทำ mm. พวกที่ชอบทำบุญ mm. ทาทาน mm. ก็พวกที่เป็นเทพลงมาจากสวรรค์ mm. ก็จะกลับมาทำบุญทําทานต่อ mm. พวกที่ชอบทำบาปเวลากลับมาเกิด mm. ก็มักจะกลับมาทำบาปต่อ mm. แต่นิสัยเหล่านี้ก็ยังมีโอกาสที่เปลี่ยนได้ถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่มีอิทธิพลที่สามารถ ดึงเราไปในทางอื่นได้เช่นเราอาจจะมีนิสัยชอบทําบาปมาแต่แเราอาจจะมาเกิดในครอบครัวที่ชอบทําบุญแล้วพาเราไปทําบุญชวนเราไปทําบุญเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนนิสัยเก่าได้จากนิสัยที่เคยชอบทําบาปก็อาจจะชอบทําบุญแทนก็ได้ในทางกลับกันกลับกันก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราชอบทาบุญทาทานแต่เราไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ชอบทาบุญทาทานชอบทำบาปเขาก็จะมีที่ผลต่อการกระทาของเราเขาก็อาจจะดึงเราให้ไปทำบาปกับเขาได้เราก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิ ส, สัยของเราจากการทำบุญมาเป็นการกระทาบาปได้ถ้ามันไม่ฝังลึกถ้ามันไม่เป็นสันดาลแต่ถ้ามันเป็นสันดาลแล้วนี้จะ ครอบครัวหรือบุคคลที่เราไปอยู่ด้วยนี้อาจจะไม่สามารถที่จะโน้มน้าวเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีทางของเราได้ถ้าเรามีนิสัยมีสันดานชอบทําบาปนี่ถึงแม้ไปอยู่กับครอบครัวไปกับบุคคลที่ชอบทําบุญเขาก็ไม่อาจจะไม่สามารถดึงเรามาในทางบุญได้อาจจะดึงเรามาได้ในขณะที่เรายังเป็นเด็กยังที่อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของเขาอยู่แต่พอเราโตขึ้นมาปั๊บเป็นตัวของเราเองปั๊บ สันดานที่เราเคยมีอยู่ถ้าเป็นสันดานชอบทำบาปมันก็จะไปทำบาปของมันทันทีเช่นเดียวกับผู้ที่มีสันดานที่ชอบทำบุญถึงแม้จะไปอยู่กับครอบครัวที่จ ะ, ะที่จะไม่ให้ไปทำบุญเช่นพระพุทธเจ้านี่ก็มีนิสัยชอบทาบุญสร้างบา ร, รมีต่างๆชอบทำทานชอบรักษาศีลชอบบวชชอบปฏิบัติธรรมพอมาเกิดในครอบครัวของ ของพระราช า, าหากษัตริย์พ่อก็อยากจะให้อยู่เป็นพระราช า, าหากษัตริย์แต่พยายามทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะดึงให้พระพุทธเจ้าอยู่ในทางโลกได้เพราะพระพุทธเจ้ามีสันดาณนิสัยที่ไปในทางบุญนั้นเองในทางกระทำความดีต่างๆจึงสามารถที่จะสลัดออกจากพระราชวังได้สลัดราชสมบัติในขณะที่มีอายุ29ปี เพื่อที่จะได้ไปไปปฏิบัติธรรมต่อไปเพราะชาติก่อนๆท่านอาจจะได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการเข้าสมาธิในระดับรูปฌานและอรูปฌปานแต่สิ่งที่ท่านยังไปไม่ถึงก็คือระดับพระนิพพานแล้วท่านก็เลยใช้โอกาสของการบวชครั้งสุดท้ายของท่านนี้ศึกษาค้นคว้าหาระดับความสุขที่แท้จริงระดับความสุขที่ถาวร ระดับของความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจนในที่สุดก็ทรงค้นพบพระนิพพานด้วยพระองค์เองสามารถปฏิบัติจิตของตัวเองให้เข้าสู่พระนิพพานได้ด้วยการกําจัดเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณ น, นี้มาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพก็คือมาเกิดในกามะภพในรูปะภพและอรูปะภพถ้าตัดกามออ ตามมตัญหาความอยากจะเสกการมได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามะภพอีกต่อไปถ้าตัดความอยากจะเสกรูปฌานได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในรูปภพถ้าตัดความอยากจะเสกอรูปฌานได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในอรูปฌะอรูปภพอีกต่อไปเมื่อตัดความอยากทั้งสามนี้ได้การมตัญหาได้ความอยากเสกการมได้ความอยากจะเสกรูปฌานได้ ความอยากจะเสกอรูปฌปานได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปก็จะอยู่ที่พ่นิพพานที่เป็นที่ที่มีความสุขสมบูรณ์เต็มร้อยตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนกับภพต่างๆที่ถึงแม้จะมีความสุขมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่เพราะตายภพนี้คือรูปภพกายภพอรูปภพนี้ ยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักของอนิจจังทุกขังมนัตตาอยู่แต่พระนิพพานนี้อยู่เหนือกฎของตายรักตายรักนี้เข้าไม่ถึงพระนิพพานเพราะเหตุที่ทำให้ทำให้จิตเสริมนี้เกิดจากตัณหานี่เองเมื่อตัวที่ทำให้จิตเสื่มนี้ถูกกำจัดไปหมดไปจากใจแล้วตัณหาความอยากต่างๆหมดไปจากใจแล้วจิตก็จะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไป จิตก็จะเป็นนิพพานไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใน ต, ตายพบเป็ต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบาเพ็ญได้ส่งปฏิบัติมาจนในที่สุดก็ส่งค้นพบสัธจธรรมความจริงต่างๆของของสัตว์โลกของดวงจิตดวงวิญญาณ <c oughs> ว่ามีวิถีทางที่จะไปทางทิศทางไหนอย่างไรบ้าง ถ้าทำบุญก็จะไปอยู่ในสุขติถ้าทำบาปก็จะไปอยู่ในทุกติเวียนว่ายตายเกิดในทุกติทำบุญทำทานก็จะเวียนว่าตายเกิดในสุกติถ้าปฏิบัติสมาธิได้ก็ไปอยู่ในรูปประภรูปภพถ้าทำเข้าฌานในระดับอรูปฌานได้ก็ไปอยู่ในอรู ป, ประภพถ้าเจริญปัญญาเห็นเห็น เห็นว่าเหตุที่พาให้สัตว์โลกอยางต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายอยู่เรื่อยก็เพราะอำนาจของตัหาทั้งสามนี้ถ้าตัดตันหาความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกทิพย์ และผู้ที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเปิดตาในคือตาทิพย์ขึ้นมาและการที่จะเปิดตาในหรือตาทิพย์ขึ้นมาได้นี้ก็ต้องอาศัยการบาเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองนี่ฮะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเราฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ความองในสงสัยก็จะหมดไปเราจะเชื่อเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงพิจารณาทรงสอนนี้ เป็นด้วยเหตุด้วยผลแต่ความเชื่อนี้ก็ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำให้เราเห็นได้ด้วยตาทิพย์ของเราเองเหมือนกับการที่มีคนมาบอกว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาเราฟังเขาเราก็วาดภาพตามที่เขาบอกไปแล้วก็เห็นภาพในตามที่เขาบอกมา แต่เรายังไม่ได้เห็นตัวจริงของมันว่าเป็นอย่างไรอย่างแท้จริงการที่เราจะไปเห็นตัวจริงอย่างแท้จริงได้เราก็ต้องกระทำตามที่ผู้ที่สอนผู้ที่บอกเราคือเราก็ต้องเดินทางไปสถานที่นั้นเขาเคยไปสถานที่นั้นแล้วไปเที่ยวที่นั้นแล้วสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เขามาเล่าให้เราฟังเราฟังแล้วเราก็เออเชื่อเพราะเราเชื่อว่าเขเป็นคนไม่โกหกเรื่องที่เขามาเล่าให้เราฟังนี้เป็นเรื่องจริง เพียงแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องจริงในจินตนาการของเราอยู่เป็นเรื่องที่เราวาดภาพขึ้นมาในใจของเรามันก็เลยทําให้เราอยากจะไปดูของจริงไปพิสูจน์ของจริงเราก็ต้องเดินทางไปที่สถานที่นั้นพอเราไปถึงสถานที่นั้นเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆตามที่เขาเล่ามาให้ฟังและเห็นมากกว่าสิ่งที่เขาเล่าเข้ามาให้ฟังเสียด้วยซ้ําไปเพราะเรื่องที่เขาเล่ามานี้มันก็เป็นเสี้ยวหนึ่งของเรื่องที่เขาไปดูไปรู้ไปเห็นมา แต่ถ้าเราไปด้วยตัวของเราเองเราก็จะเห็นเต็มที่เลยเห็นเต็มร้อยเห็นทุกขระเบียดนิ้วเลยอันนี้ก็เหมือนกันหลังจากที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพพุทธเจ้าแล้ว<ม>เกี่ยวกับเรื่องดวงวิญญาณของเราดวงจิตดวงใจของเราที่ยังอยู่ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่และที่จะสามารถเล่นลอดเล่นลอดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายทิพในในตายพบนี้ได้ถ้าเรา สามารถปฏิบัติทำขั้นจิตตะภาวนาได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายจิตใจของเราว่าเราอยากจะไปดูไปชมไปเห็นเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นมันก็อาจจะทำให้เรามีความสนใจที่จะมาศึกษาวิธีการเปิดตาในเปิดตาทิพของเราก็ได้เช่นถ้าเราอยากจะเปิดตาทิพของเราเราก็รู้ว่าเราต้องบรรเพ็นจิตตะภาวนา การบำเพ็ญจิตภาวนาก็คือการปฏิบัติจิตนี่เองปฏิบัติจิตด้วยสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบก่อนนี่ก็คือเป็นการเป็นการเป็นการเปิดตาในขึ้นมาเปิดตาในด้วยการทาจิตใจให้สงบด้วยสมถะภาวนาแล้วหลังจากที่เปิดตาในได้แล้วเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตาใน ก็ใช้ปัญญามาแยกแยะมาสอนมาแยกแยะจิตให้รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ในใจนี้มีสนย์สิ่งที่เป็นกุศลก็มีสิ่งที่เป็นอกุศลก็มีสิ่งที่เป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบาปก็มีสิ่งที่เป็นคุณมีก็มีสิ่งที่เป็นโทษก็มีอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่จะต้องมาสอนจิตหลังจากที่เปิดตาในขึ้นมาแล้วหลังจากเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนบัยเห็นอะไรต่างๆแล้วก็ยังต้องสอนจิตว่า วิธีที่จะทำให้ไปใ น, ในที่ที่ดีและวิธีที่จะทำให้ไม่ไปในที่ไม่ดีนั้นต้องทำอย่างไรอันนี้คือเรียกว่าขั้นวิปัสสนาภาวนามีอยู่สองขั้นด้วยกันถึงจะสามารถที่จะสอนจิตให้ไปสู่พ่านิพพานได้ต่อไปเพียงแต่ลืมตาขึ้นมาท่านนั้นผู้ที่ปฏิบัติสมาธิก็จะเริ่มเห็นโลกจิตเห็นโลกภายในขึ้นมา ก็ในขณะจิตที่สงบนี้จิตก็จะเห็นความความต่างของของจิตในขณะที่ไม่ไม่ได้อยู่ในความสงบจะรู้สึกว่ามันอยู่เหมือนกับอยู่กับคนในโลกเพราะตอนตอนที่จิตสงบนี้จิตจะไม่รับรู้เรื่องของทางโลกทางร่างกายเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆนี้จะจะไม่เข้ามาจะมีแต่เรื่องของโลกทีวิตเพียงอย่างเดียวจะมีแต่เรื่องของบุญเรื่องของของกุศลเรื่องของบุญเรื่องของบาป เรื่องของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆปรากฏขึ้นมาภายในใจและการที่จะแยกแยะให้ถูกว่าสิ่งไหนเป็นคุณสิ่งไหนเป็นโทษสิ่งไหนที่จะยังพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่สิ่งไหนที่จะพาให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้อันนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้มาสั่งมาสอนอีกขั้นหนึ่งที่เราเรียกว่าขั้นวิปัสสนา การบำเพ็ญจิตตภาวนานี้จึงมีแบ่งไว้เป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือทําจิตใจให้สงบเพื่อเปิดตาในขึ้นมาเปิดตาทิศขึ้นมาเพื่อจะไดเๆๆไ้เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิศเมื่อเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิศแล้วขั้นที่สองก็ยังต้องใช้ปัญญามาแยกแยะสอนใจว่า ส, สิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งใดเป็นบุญเป็น สิ่งใดเป็นโทษเป็นบาปก็ต้องมาใช้ปัญญาเป็นผู้สอนมาแยกแยะสิ่งใดที่จะพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดสิ่งใดที่จะทาให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็จะเป็นขั้นของวิปัสสนาภาวนาหรือ ป, ปัญญานี่การบำเพ็ญจิตอภาวนาจึงต้องแบ่งเป็นสองสองตอนด้วยก่อนแล้วต้องทาตามขั้นตอนต้องทาขั้นที่หนึ่งก่อนคือทขั้นสมถะภาวนาก่อน ต้องทำจิตใจให้สงบให้นิ่งก่อนให้เปิดตานายขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะสามารถไปแยกแยะสิ่งต่างๆด้วยปัญญาในขั้นวิปัสนาภาวนาได้ถ้าจิตใจยังไม่สงบแล้วมาใช้ปัญญาแยกแยะนี่มันจะมันได้แยกแยะสิ่งที่เห็นจริงๆแต่แยกแยะสิ่งที่จินตนาการตามที่ได้ยินได้ฟังมาต้องไปถึงสถานที่นั้นก่อนแล้วถึงจะเห็นความจริงของสถานที่นั้นแล้วเราถึงจะสามารถแยกแยะได้ว่า ตรงนี้ดีแล้ว ต, ตรงนี้ไม่ดีอย่างไรแต่ถ้าเรายัางไม่ไปแล้วเราใช้ปัญญาแยกแยะเราก็จะแยกแยะจากจินตนาการของเราจากการที่เราได้ยินได้ฟังมาซึ่งยังไม่ใช่เป็นของจริงของจริงรต้องไปที่สถานที่นั้นก่อนเดินทางไปที่สถานที่นั้นพอถึงสถานที่นั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนหน่าไปตรงไหนไม่น่าไปถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไปเที่ยวต่างประเทศนี่เขาก็มีทั้งสถานที่ที่น่าเที่ยวและสถานที่ไม่น่าไป สถานที่เป็นอันตรายแต่ถ้าเราไม่ไปอยู่ที่สถานที่นั้นเราก็จะไม่รู้ถ้าเรายังไม่ไปเราก็จะไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีฉันใดการบําเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อดึงจิตให้เข้าสู่โลกทิพย์ก็เช่นเดียวกันเบื้องต้นเราต้องเข้าไปสู่ในโลกทิพย์ก่อนการจะเข้าไปสู่ในโลกทิพย์ได้เราก็ต้องเข้าสมาธิการเข้าสมาธินี่แหละคือการเข้าสู่โลกทิพย์ เมื่อเราเข้าสู่โลกทิพย์แล้วเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์สิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษถ้าเราไม่รู้ว่าอันไหนเป็นคุณเป็นโทษเราก็ต้องอาศัยปัญญาปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากพระ พ, พ, พ, พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนว่าสิ่งใดที่มันทําให้เราทุกข์สิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งไหนสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งไหนที่เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ห้าไม่ได้สิ่งนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราทุกข์เราไม่ควรไปเลย ไปยุงกับสิ่งนั้นนี่เกิดปัญญาที่จะตามมาต่อไปในขั้นที่สองอยางนั้นผู้ปฏิบัติขอให้เราใจเย็นๆอย่า ร, รีบร้อนไปวิปัสสนาอย่ารีบร้อนไปขั้นปัญญาเพราะถ้าข้ามขั้นมันไม่ใช่เป็นขั้นปัญญาที่แท้จริงมันเป็นขั้นจินตนาการมากกว่าเป็นขั้นของความคิดตรงแต่งไปเองไม่ได้คิดไปตามความเป็นจริงที่รู้ที่ที่ปรากฏจากการรู้จริงเห็นจริง ต้องไปรู้จริงเห็นจริงก่อนของต่างๆแล้วค่อยมาแยกแยะว่าของส่วนไหนเป็นของที่ดีของส่วนไหนเป็นของที่ไม่ดีแต่ถ้าเรายังไม่ไปเห็นของจริงแล้วเรามานั่งแยกแยะมันก็เป็นการนั่งแยกแยะแบบจินตนาการแยกแยะด้วยความคิดตามความรู้สึกนึกคิดของเราเท่านั้นเองซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงแยกแยะไงก็แยกแยะไม่ได้อยู่ดีนั้นการปฏิบัติธรรมขั้นจิตภาวนานี้จาเป็นที่ จะต้องทำให้ผ่านขั้นสมาธิให้ได้ก่อนแล้วต้องชำนาญในขั้นสมาธิสามารถเข้าออกสมาธิได้ตลอดเวลาเพราะเวลาที่มาสู่ขั้นวิปัสนาขั้นปัญญาที่ต้องใช้ความคิดแยกแยะนี้บางครั้งบางคราวก็อาจจะทำเลยเถิดอาจจะทำให้เกิดอาการฟุ้งซ่านเกิดความไม่สงบของใจขึ้นมาก็ได้เออมื่อทำถึงขั้นนั้นแล้วก็ต้องหยุดการพิจารณาไว้ชั่วคราว หยดการพิจารณาทางปัญญาแล้วกลับมาทำสมาธิทำจิตใจให้นิ่งให้สงบใหม่<ะ>สมาธินี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนการเจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาโดยที่ไม่มีสมาธินี้<ะ>ก็จะกลายเป็นเป็นปัญญาแบบฟุ้งซ่านแต่ปัญญาแบบบา้าคลั่งไปไม่มีเหตุไม่มีผล ถ้าเป็นปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนนี่จะเป็นปัญญาที่จะนําไปสู่ความสงบพอไม่สงบก็รู้ว่าว่าจิตไปผิดทางนะก็ต้องดินกลับมาให้เข้ามาในสมาธิใหม่ก่อนนะดังนั้นอย่าเพิ่งไปทางปัญญาเราให้เราได้สมาธิก่อนเราให้จิตรวมเป็นเอกเอกคตารมเป็นอัปปนาสมาธิก่อนนะให้จิตรวมเป็นอุเบกก่อนนะคือฌานสี่แลนะ้วนะ ฝึกให้บ่อยๆฝึกให้มากๆตัวเราสามารถมีความชํานาญช่ำชองสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเวลาใดที่จิตเราฟุ้งเวลาใดที่จิตเราทุกข์ขึ้นมาด้วยอํานาจของโมหะอาวิชากิเลสตัณหาเราก็สามารถใช้สมาธิมาระ ง, งับความฟุ้งระงับความความความทุกข์ที่เกิดจากอํานาจของกิเลสตัณหาได้ชั่วคราวไว้ก่อน ดึงจิตกลับมาให้กลับมานิ่งเป็นปกติก่อนแล้วถึงค่อยไปออกไปพิจารณาทางปัญญาได้ถ้าจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบนี้จิตจะอยู่ภายใต้อํานาจของโมหะอวิชชาพิจารณาธรรมก็จะพิจารณาไม่ไม่เที่ยงตรงไม่เที่ยงแท้ไม่ไม่ตรงไปตามหลักความเป็นจริงจะถูกอนานาจของโมหะหลอกให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวได้นะ เพราะฉะนั้นการทําสมาธินี้เป็นเรื่องสําคัญมากอย่ามองข้ามไปเป็นอันขาดสมัยนี้คนใจร้อนาใจคิดว่าไม่ต้องนั่งสมาธิกันก็ได้ไปทางปัญญาเลยเราเป็นปัญญาชนเราศึกษาถึงระดับปริญญาตีโทเอกได้แล้วทําไมเราจะใช้ความรู้ในระดับปริญญาโทเอกทางโลกนี้มาใช้กับทางธรรมไม่ได้มันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องของทางธรรมนี้มันเป็นเรื่องของใจเรื่องของ ของความสุขความสงบของใจที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางโลกทางโลกนี้ศึกษาถึงระดับปริญญาเอกก็ไม่จำเป็นจะต้องทำใจให้สงบก็ได้เพราะมันเป็นแค่เป็นการศึกษาเพื่อมาจดจำจดจำเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ไม่ไดเอามาใช้เกี่ยวกับการที่จะมากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปความรู้ทางโลกความสามารถทางโลกนี้จึงไม่สามารถ เอามาใช้ในทางธรรมได้ในทางธรรมนี้ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทางธรรมคือความสามารถที่จะควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ได้ก่อนด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมความคิดตัวที่มาคอยทำให้ใจไม่สงบให้ได้ก่อนแล้วพอพอเวลานั่งสมาธิใจก็รวมเข้าสู่เอกะตะลม ใจรวมเป็นหนึ่งสัตวแต่วะารูอยู่ในอัปปนาสมาธิเป็นเวลาอันยาวนานได้อันนี้ต้องฝึกให้ชำนาญก่อนออกจากสมาธิมาถ้ายังไม่ชำนาญก็จเจริญสติต่อไปก่อนยังไม่ต้องไปทางปัญญาแต่อย่างใดพยายามฝึกสติให้มีกำลังมากจนสามารถสั่งให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการเมื่อเราสามารถแล้วเราถึงจะไปทางปัญญาได้ การติที่จะไปทางปัญญาก็ไม่ได้ทําในขณะที่เราทําสมาธิเวลาจิตที่สงบนิ่งนี้เราไม่ต้องการที่จะไปคิดทางปัญญาเราต้องการให้จิตสงบให้นิ่งให้นานที่สุดเพราะความนิ่งความสงบของของจิตในสมาธินี้จะเป็นพลังของจิตที่จะเอาไปใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาตัวที่เราจะต้องกําจัด เพราะฉะนั้นเวลาเข้าสมาธิไม่ใช่เป็นเวลาที่มาเจริญปัญญาไม่ใช่เป็นเวลาที่มาเจริญวิปัสสนา แตอย่างใดไม่ให้คิดทางปัญญาเลยไม่ให้คิดอะไรเลยให้รักษาความว่างความนิ่งความสงบของความคิดให้อยู่ไปนานนานจนกว่ามันจะหมดกําลังสติหม ด, หมดกําลังถึงถอนออกมาพอถอนออกมาเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วถ้าเราชํานาญในการเข้าออกสมาธิแล้วแทนที่เราจะมาเจริญสติต่อเราก็เปลี่ยนมาเจริญพิจารณาทางปัญญาพิจารณาให้เห็นสภาวะธรรมต่างๆที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีไม่ว่าจะเป็นราบยศสรเสริญสุขที่เรามาเกี่ยวข้องคือโลกธรรมไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจิตในใจของเราทั้งหมดนี้เป็นสภาวะธรรมที่เป็นเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนให้เราปล่อยวางสอนให้เราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปหวังกับสิ่งเหล่านี้ว่าจะให้ความสุขกับเราเพราะว่ามันเป็น ความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลามันเกิดการสิ้นสุดลงสอนให้ใจให้รู้ทันอย่าไปหลงติดกับลาบยศสารเสริญอย่าไปหลงติดกับรูปเสียงกลิ่นดโพุทธะอย่าไปหลงติดอยู่กับร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาลาบยศสารเสริญสุขเพราะร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงอย่าไปหลงกับอารมณ์ ที่มีอยู่ภายในจิตอย่าไปติดกับอารมณ์ที่ดีอยากจะให้จิตมีแต่อารมณ์ที่ดีไปตลอดเพราะจิตมันก็ยังอารมณ์ต่างๆที่อยู่ภายในจิตมันก็อยู่ภายใต้กฎของตายลักเหมือนกันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นตายรักษในสภาวะธรรมทั้งปวงทางเทพเจ้าทรงตัดว่าสาเพสังขารานิจจาสาเพสังขาราทุกขาสัเพธรรมานัตตา สังขารก็คือสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปถ้าไปยึดไปติดก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้กรรมนาของไข่ไม่ได้เป็นของของไข่ไม่มีตัวตนในสภาวะธรรมเหล่านั้นเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นเองนนี้ก็ เป็นสิ่งที่เราจะดาเนินต่อไปหลังจากที่เราได้สมาธิชำนาญในสมาธิแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็จะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เรื่อยๆพอเห็นอะไรเกิดความรักขึ้นมาเกิดความชอบขึ้นเราบอกมันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของชั่วขาวมันก็จะตัดความรักความชอบความอยากได้ลงไปนี่เเราต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปหวังหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพดทาพะไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆของเหล่านี้เป็นที่พึ่งทั ง, เ ป, ท ง, ทงเป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขกับใจไปไม่ได้ตลอดเป็นของชั่วคราวแล้วจะกลายเป็นความทุกเวลาที่มันเสื่อมไปหรือหมดไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆใจก็จะเริ่มตัดเริ่มปล่อยวางไปเรื่อยๆ เ, เริ่มลดความอยากต่างๆไปเรื่อยๆนต้นก็จะลด ความอยากในกามไปก่อนกามาตัณหาก็จะหมดไปต่อไปก็จะลดความอยากในในอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจพอละได้ทั้งหมดแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์จากความความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงแท้แน่นอนต่างๆใจก็จะไปตั้งอยู่ในที่สงบที่ถาวรที่มีแต่ความสุขตลอดเวลา เหตุที่พาให้ใจยังเปลี่ยนไปขึ้นๆลงๆอยู่ก็คือตัณหาทั้งสามนี่กามาตัาหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาอพอกำจัดตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะไม่มีการเปลี่ยนใจต่อไปใจก็จะนิ่งสงบใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาใจก็จะไม่มีความหิวความอยากที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้อีกต่อไปอ นี่ก็คือเรื่องราวของการฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะกําจัดความลังเลสงสัยต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้แต่ก็เป็นการกําจัดในระดับของความคิดขั้นต่อไปเราก็ต้องไปพิสูจน์ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการนไปบําเพ็ญจิตตภาวนาไปจาริญสติไปนั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้หลังจากเข้าฌานได้ชํานาญแล้ว ก็ไปทางปัญญาต่อไปเพื่อปล่อยเพื่อตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปพอใจเราสะอาดโดยสุดใจของเราก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นนิ บ, บาวน์พลังสุขธรมขึ้นมาไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวะหาปูราภาลิปุเรนติสาลังเอวเมวะยโตทินามเปตานังอ e ุปกปติอิจีตังปฏิต <c oughs> ังตุมหังค um ิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จั ana, ote, antu, atu, ayo, ava, a n t i n g o panna araso yatha manico ti araso yatha sapitio viwachanto sapalo ko vinasato mate pawatta wantarayo sukhi ti kayuko pawa apiwa thanasila niddhamutta pajjino jataro t a m a n t อาาายุวนโสังาลางช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคาถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกก็ต้องมีทำอะไรอย่างอื่นต่อ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไรเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนากูจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ417ท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติ377ยู u ูบด็อกเตอร์วี47วิทยุออนไลน์12คลับ h o า s e 5นากูต183รวมทั้งหมด 1,041 ท่านค่ะ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ การปฏิบัติทำทางบ้านปฏิบัติทำทุกวันเช้าและค่ำทุกวันมา25ปีแล้วเจ้าค่ะตอนนี้ถึงการพิจรารณาเห็นอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจตอนนี้สิทธิ์ได้ทำตามคำพระอาจารย์สอนและสติปัญญาได้เห็นตามความเป็นแน่แท้ว่ามันเป็นอนิจจังเป็นกฎไรรักตามธรรมชาติจริงๆเข้าใจแล้วจึงยอมหยุดเพียงพอได้แล้วเจ้าค่ะจิตมีความปล่อยวางมากขึ้น ตามลำดับเจ้าค่ะจิตเห็นจิตถ้าไม่คิดก็หยุดถูกได้จิตปรุงแต่งก็เห็นจึงหยุดพอได้ขอจิตปรุงแต่งก็เห็นจึงหยุดพอได้ละจึงหยุดพอได้แล้วเจ้าค่ะถึงตอนนี้แล้วขอคำแนะนำพระอาจารย์ต่อว่าควรเพิ่มเติมไปอีกอย่างไรน้อมกราบในความเมตตายอย่างสูง กต้องรอเวลาที่เราพบกับวิกฤตการของชีวิตเช่นน้ําท่วมไฟไหม้บ้านสามีทิ้งเราไปแล้วดูซิว่าใจเรายังปล่อยวางได้อยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังอยู่ในเหตุการณ์ที่สงบยังที่เรียบร้อยอยู่เอทีนี้ต้องไปดูตอนที่เราสิ้นเนื้อประดาตัวบ้านก็ไม่มีอยู่ข้าวก็ไม่มีกินเออ แล้ตอนนั้นดูสิว่าจิตใจเรายังสงบยังเฉยยังสบายได้หรือเปล่าม mm hmm. ถ้าเราไม่ไปพิสูจน์เวลาที่มันตกทุก่งท่ายากเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่านั mm ้น hmm. ต้องตอาแบบพาทุ่ดงเงินท่านไปบาเช่นเนื้อปดาตัวไปเดินทุ่ดงในป่าในเขาไม่รู้ว่าจะได้ไปบินธบาตพรุ่งนี้เช้ากินข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้ mm hmm. ท่านก็ไม่สนใจท่านเลือกสนใจแต่เรื่องการรักษาจิตใจของท่านให้ปล่อยวางให้สงบไม่ให้ทุกข์ไม่ให้หิวไม่ให้อยากกับอะไรทัน่นเองเพราฉะนั้นการปฏิบัติที่บ้านมันยังเป็นเหมือนกับทําการบ้านอยู่คุยง่ายๆยังไม่ได้เข้าห้องสอบต้องลองไปเข้าห้องสอบดูพ mm hmm. อให้หมอบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วตอนนี้จะให้ทํำยังไงดี mm hmm. จะพา mm hmm. อะจะฉายแสงจะคีโมหรือะจะปล่อยเฉยๆไป mm hmm. ปล่อยให้มันตายไป ใจไม่เดือดร้อนหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรายังต้องรอพิสูจ ต, ต่อไปคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะสำหรับผู้เริ่มต้นควรใช้เวลาเริ่มต้นนั่งสมาธิเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมคะไม่ได้อยู่ที่เวลาหรอกความสำคัญอยู่ที่สติตั้งสติอย่าไปตั้งเวลาถ้ามีสติดีก็จะนั่งได้นานมีความสงบได้เร็วถ้ามีสติไม่ดีนั่งไปไงก็ไม่สงบ นั่งนานเท่าไหร่ก็ไม่สงบก็ไม่ได้ผลผลเราไม่ได้วัดที่เวลาที่เรานั่งแต่วัดเวลาที่เราให้เจริญกับการเจริญสติแล้วเราต้องเจริญสติเป็นชั่วโมงก่อนที่เราจะมานั่งต้องเจริญในช่วงช่วงระหว่างวันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมานี่ให้เจริญสติไปก่อนพุโทโธพุโทโธไปภายในใจพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธเลยอาบน้านั่งหน้าแปรงฟันก็พุโทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธ แล้วประทานอาหารก็พุโทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งแล้วถ้ามีสติแา บ, บนั้นแล้วนั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายแล้วก็จะสงบได้นานเราไม่ได้ดูเวลาดูที่ความสงบถ้ามันสงบแล้วมันก็สบายมันก็ไม่อยากจะลุกมันก็ไม่อยากจะเลิกนี่จะสงบได้นานหรือไม่อยู่ที่กําลังของสติว่ามีมากมีน้อยนั้นอยู่ที่สติอย่าไปกําหนดที่เวลา กำหนดที่สติเป็นหลักคำถามจะพูดแล้วฟังหน้ากูดค่ะ การได้ยินได้ฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์ทำให้มีความเพียรในการปฏิบัติและได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในการนั่งสมาธิทุกคืนวันละหนึ่งชั่วโมงวันไหนว่างมากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2,564 จนถึงปัจจุบันทําให้เกิดอุเบกขาในการดรําเนินชีวิตของทางโลกมีเหตุมากระทบจิตใจความรู้สึกนั้นก็อยู่ได้ไม่นานแล้วใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ ศึกษาทำตามแต่จริตของตนเพื่อระงับความอยากทําให้มีชีวิตในปัจจุบันทางโลกมีความสุขทุกเป็นธรรมดากราบขอบคุณในความมีเมตตาของพระอาจารย์ค่ะก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติเพิ่มความเข้มข้นมา <c oughs> อยู่ที่ <c oughs> ที่มันทุกข์ยากลำบากบ้างมามอยู่วัดถือศีลแปดบ้าง <c oughs> หรือไปโกนศรีรษะเป็นแม่ชีสักสามเดือนหรือบ้างจะ <c oughs> ไ, ได้รู้ว่าจิตใจเราเป็นยังไงตอนที่เราอยู่ในสภาพแบบนั้น <c oughs> ต้องเพิ่มต้องปฏิบัติให้มันต้องทดสอบข้อสอบต่างๆแล้วถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์อะไรต่างๆเราก็ถึงจุดถึงจุดหมายปลายทางไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อผ่านไปประมาณสองชั่วโมงเขาใจว่าจิตออกจากสมาธิรู้สึกตัวอยู่ภาวนาพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแต่จิตใจไม่พิจารณาอะไรเลยรู้ตัวอยู่ตลอดพยายามให้จิตพิจารณากายพิจารณาผมก็ไม่ไปจึงออกจากการภาวนากลับเรียนถามว่าควรภาวนาอย่างไรต่อไปหากจิตไม่พิจารณาอะไรเลยอ๋อเวลาภาวนาไม่พิจารณาอะไรเลย ให้นิ่งให้เฉยให้อยู่กับพุโทโธไปจะพิจารณาต้องรอให้ออกจากสมาธิออกจากการภาวนาก่อนออกมาแล้วมาเดินจงกรมนี้ก็สามารถพิจารณาสิ่งต่างๆได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่ตอนที่ทำสมาธิตอนนั่งภาวนานี้ไม่ให้พิจารณาอะไรต้องการให้หยุดคิดหยุดพิจารณาต้องการให้ใจนิ่งให้สงบเพื่อจะได้มีพลังมีเบคขา ไว้ต่อสู้กับตัญหาความอยากต่างๆคำถามจากทางยูทู e พระชาจสุชาติค่ะหนูชื่ออุบอิปค่ะหนูมีประสบการณ์ฝันน่ากลัวบางครั้งจึงแก้ไขด้วยการฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับครั้งล่าสุดดูบริกรรมในท่านอนแล้วเหมือนเคลิ้มๆใจวูบวิวแปลกๆสี่ถึงห้าครั้งหนูกลัวจึงกะ ดึงดึงกลับมาพุโทโธต่อแล้วจึงหลับไปมีฝันคิดเหมือนเรื่องในปัจจุบันที่ดีหนูพอจะทำถูกไหมคะถูกก็ถ้าฝึกสติฝึกสมาธิไปเรื่อยๆต่อไปความฝันมันก็จะน้อยลงไปคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะการปฏิบัติทำให้เห็นสภาวะธรรมทั้งปวงเกิดขึ้นที่ใจเราใช่ไหมคะเห็นแล้วให้ตั้งสติแยกกายแยกจิตตามความรู้ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะ คือให้จิตมีดวงตาให้ให้จิตลืมตาขึ้นให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ใช่ของเราเห็นทุกอย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ต้องเห็นด้วยจิตจิตจิตเป็นผู้เห็นด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งน้อมกลับนิมมสการพระอาจารย์นะคะ ก็ยมอยากจะกลับเรียนถามว่าถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดอีกนะคะถ้าเรายังไปได้ไปถึงพระนิพพานถ้ายังต้องก ล, กลับมาเกิดอีกเนี่ยถ้าเราอธิฐานเคยอธิฐานไว้อย่างยามเป็นคนอย่างนี้ตอนทำบุญว่าถ้าเราอธิฐานว่าขอให้ไปเกิดในบ้านครอบครัวที่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ได้กลับมาเกิดทำบุญโดยไม่แบบ ไม่ติดขัดไม่ขัดสอนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขอให้มีอยู่ในครอบครัวบุญ น, นะคะมันจะได้ไหมคะไม่ได้แล้วมันอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราทำตัวเราให้ทำบุญเป็นนิสัยเราถึงแม้ว่าเราจะไปเกิดในครอบครัวไหนเราก็จะทำบุญของเราต่อไปอเพราะเราไปกำหนดไม่ได้ว่าพบหน้าชาติหน้าพ่อแม่ของเราคนใหม่จะเป็นคนใจบุญหรือเป็นคนใจบาปนี่เรากำหนดไม่ได้แต่ที่เรากำหนดได้ก็คือนิสัยใจคอของเรา ให้เราแน่วแน่มั่นคงกับการทําบุญถึงแม่พ่อแม่จะชอบทําบาตเราก็ไม่ไปทําตามบาตตามพ่อแม่ได้แล้วพระอาจารย์เจ้าขามันจะเกิดตามคิวหรือเปล่าคะหรือว่าถึงคิวมาเกิดเขาก็มาเกิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะคนดวงวิญญาณที่มารอเกิดมันเยอะเองเขาอาจจะมีแบ่งคิวตามเกรดก็ได้เหมืนอนสอบเอ็นทันใครบุญมากอาจจะได้คิวคิวคิวก่อนใครบุญน้อยอาจจะได้คิวหลังก็ได้ไม่รู้ อันนี้เราต้องไปถามกดหันกลับก่อนเดี๋ยวว่าเขากําหนดคิวยังไงจะค่ะกลาบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที้เราทําได้ก็ อ, อย่ามาเกิดอดีสุดค่ะนึกว่าแบบว่านึกว่าจะอธิฐานได้อะไรอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์อธิฐานได้แต่มันไม่ได้หรอกขอได้แต่มันไม่ได้ดังใจขอหรอกอมันต้องมีเหตุมีปัจจัยพายให้เราไปเกิดอย่างโยมเนี่ยครับลถวันนี้ไปเจอคนที่สีแยกไฟแดงแล้วพรุ่งนี้ขอให้เจอกันที่จุดเดียวนจะจะเจอไหม ใช่ไหเจ้าค่ะหลังจากนันหมายกันไว้ท่านเองแต่มันนัดหมายไม่ได้เวลาตายไปแล้วเจ้าค่ะกรับค่ะว่าคุณครูอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะนุกข้อถามนิดหน่อยเจ้าค่ะแล้วที่เศรษฐีเกิดมาเป็นหมาเหรอเจ้าคะที่ว่าตอนก่อนตายแล้วคิดถึงหมาปุ๊บอันนั้นมันเป็นเรื่องรานของความผูกพันห่วงซัพย์ห่วงทรัพย์คิดถึงทรัพย์มากมันก็เลยมีอานาจมากกว่า บุญบาปที่จะส่งไปเกิดแต่มันก็กลับมาเกิดเป็นหมาได้ชั่วคราวพอกลับมาเกิดแล้วรู้ว่าทรัพย์สมบัติกลับมาแล้วถึงแม้เป็นของเราก็ไมเ่เอามาคืนไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีใครเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติต่อไปพอตายไปก็จะถูกอำนาจบุญกับอำนาจบาป พ, พาไปทีนี้แล้วถ้าเราจะตายถ้าเกิดไปเจ็บจนเกินไปเราคิดถึงแต่สิ่งที่ดีค่ะมันสามารถจะไปได้ไหมเจ้าคะก็ต้องคิดพุทโธต้องทําใจให้สงบ สิ่งนี้ดีที่สุดก็คือพุโทโธพุธโทโธเวลาจะตายแล้วก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธตายไปกับพุโทโธแล้วก็จะไปสู่สุคติอย่างแน่นอนคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะอาการผู้ที่ได้ฌานสามจะมีอาการอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าได้ฌานสามแล้วคะไม่ถามกูเกเลยกูก็ <c oughs> <c oughs> จะบอกฌานหนึ่งมีอะไรบ้างฌานสองมีอะไรบ้างฌานสามมีอะไรบ้างฌานสี่มีอะไรบ้าง ก็าไปถามเลยปฏิบัติเถิดพอมันถึงตรงจุดนั้นแล้วมันก็จะรู้เองว่ามีอะไรบ้างขอให้มีพุโทโธอย่างเดียวหายใจเราคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ คำถามจากคุณคณิษฐาค่ะลูกทำสมาธิสามชั่วโมงเกิดเวทนาปวดก็สักแต่ว่ารู้ว่าปวดได้ยินก็สักแต่ว่ารู้ว่าได้ยินแล้วบริกรรมพุโทโธแบบเร็วๆมีสติรู้อยู่ตลอดแต่สงบมากลูกทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับค่ะถูกแล้วการภาวนาก็เพื่อกำจัดความทุกข์ทางใจที่อาจจะเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายถ้าเราภาวนาะเป็นทาใจให้สงบเป็น ใจเราจะไม่ทุก์กับความทุกข์ยากลาบากของร่างกายจะอยู่กับมันได้อย่างเฉยๆอย่างสบายคำถามจากทาง f a c e b o o k ค่ะเราจะฝึกจะสอนเด็กผู้ชายอายุห้ถึงแปดขวบให้มีวินัยได้อย่างไรบ้างครับก็ให้คุณให้โทษกับเขาเวลาเขาทำผิดก็ลงโทษเขาบ้างเวลาเขาทำถูกก็ให้รางวัลเขาเป็นการจูงใจเป็นการควบคุมบังคับเขา เขาจะได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็จะได้ทาในสิ่งที่ถูกที่ควรถ้าเราปล่อยไปตามใจเขาเขาทำผิดก็ไม่ว่าเขา<ม>เขาทำถูกก็ไม่ได้ทำอะไรให้หลังวิหลังวาลอะไรเขา<ม>เขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีคำถามจากทาง facebook ค่ะขณะทํางานอยู่เกิดสภาวะเหมือนเราแยกออกมาเหมือนดูทีวีรู้สึกแปลกใจและนึกคิด และนึกคิดกับบังคับให้มันหายขอคําแนะนําการปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะก็าการปรากฏการของจิตเวลาที่มันสงบนีบ้บางทีเราก็ไปสั่งมันไม่ได้เวลานั่งสมาธิถ้าเป็นแทบตายมันไม่ยอมสงบแต่พอเราไปทําอะไรใจเฉยๆว่างๆขึ้นมามันก็สงบของมันขึ้นมาได้ก็รู้ตามความเป็นจริงว่าตอนนี้ใจของเราเป็นอย่างนี้ก็รูกว่ามันเป็นตายรักเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ผ่านไป คำถามจากทางยูทู u ด็อตอร์วีค่ะทำไมเวลานั่งสมาธิถึงชอบมีอาการคันยุบยิบจะทำอย่างไรให้หายครับอ๋อเป็นกิเลสสมาเนเวลาหนูนหนังเล่นไา่นี่ไม่คันเลยค่ะคำถามคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะ หนูรับรู้อาการทุกข์ของผู้อื่นจนบางครั้งรู้สึกเหนื่อยจะมีวิธีพักผ่อนจิตใจยังไงดีคะบางครั้งอยากอยู่คนเดียวแต่ในชีวิตประจำวันก็ทำไม่ได้คะ่ะก็เราไม่ปล่อยวางเขาเนี่ยเรายังไปผูกพันกับเขาอยู่ก็เลยไปเหนื่อยกับเขาทำไมคนอื่นที่เราไม่ไม่เกี่ยวข้องด้วยไม่รู้จักทำไมเราไม่ไปเหนื่อยกับเขาเพราะเราไม่มีความผูกพันเราไม่ไปสนใจเขาจะสุกจะทุกข์ยังไงก็เรื่องของเขา เราก็ต้องมองคนทุกคนไม่ว่าจะใกล้ตัวและไกลตัวว่าเป็นเหมือนคนที่เราไม่รู้จักแล้วเราจะได้ปล่อยวางได้ไม่งั้นเราก็จะทุกข์ไปกับเขาสุขไปกับเขา คำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะตามฟังธรรมทำทานสวดมนต์เจริญสติเป็นประจำทำให้ม่นิสัยชอบอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวเวลาทำงานที่ต้องเข้าร่วมสังคมกับผู้คนจำนวนมากก็มักจะไปทำร่วมเท่าที่จำเป็นหลบหลีกออกจากสังคมได้ก็จะหลบออกมาแบบนี้ปฏิบัติถูกทางไหมครับถูกต้องครับผู้ <c oughs> ปฏิบัตินองจะชอบอยู่โดดเดียเด่ยวได้ <c oughs> อยู่กับความสงบเป็นความสุขมากกว่าอยู่กับคนอยู่กับสังคมคําถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะเวลานั่งสมาธิกรือน้ําลายได้ไหมเจ้าคะไม่ได้ต้องปล่อยให้มันไหลไปเวลาคันก็เกาไม่ได้เวลาร่างกายมันเองไปทางนั้นทางนี้ก็ขยับไม่ได้เวลานั่งสมาธินี่เราต้องการปล่อยวางร่างกายไม่ไปเกี่ยวข้องกับร่างกายเพราะเราจะดึงใจแยกใจออกจากร่างกายนั่นเองถ้าเรากลับไป ขยับร่างกายไปเการ่างกายนี้แสดงว่ากลับเข้าไปอยู่ในร่างกายใหมจิตมันก็เลยไม่สามารถเข้าไปในสมาธิได้ถ้าจะเข้าสมาธิให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับดูลมหายใจอย่างเดียวเวลาร่างกายเป็นอะไรไม่ต้องสนใจปล่อยมันเป็นไป <c oughs> บางทีมันก็เกิดอาการหลอกแล้วว่าพองขึ้นมาบ้างหดลงไปบ้างอันนี้ก็เป็นการหลอกรวงจิตใจปรุงแต่งขึ้นมาเองไม่ต้องไปทําอะไรกับร่างกายพอเราเริ่มภาวนาแล้ว ให้ออยู่กาาารภาวนไปตลดคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะร่าศักกยะทิฐิเบื้องต้นอย่างไรให้ทําบุญได้สะดวกใจสบายใจครับมันไม่เกี่ยวกับการทําบุญสะดวกใจไม่เกี่ยวกับต้องล่ า, ลาศักยะทิฐิขอให้ล่างเงินทองให้ได้ก็พอ <c oughs> <c oughs> ที่มันทําบุญไม่ได้ก็เพราะมันยังตเนี่ยยังหวงยังยาวใช้เงินไปใช้กับกิเลสมากกว่า เราต้องตัดการใช้เงินกับกิเลสเช่เนไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเฮฮาปาร์ตี้ไปซื้อของแบรนด์เนมซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆถ้าตัดของพวกนี้ไปได้เราก็จะทำบุญได้อยา่างสดอย่างสบายใจคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะการทำแท้งมีวิธีแก้กรรมไหมครับทำไมชีวิตถึงไม่เจริญครับทำบุญอย่างไรดีครับก็อย่าไปทำมันเสยวิธีแก้ทำแทง้งก็อย่าทำแทง้ง ถ้าทําไปแล้วก็ต้องใช้กรรม่อไปไปเกิดในท้องใครอาจจะถูกเขาทําแท้งกับเราก็ได้อย่ที่จะได้เกิดรอคิวถ้าเป็นแทบตายจะมาเกิดก็ดันไปถูกเขาทําแท้งสิเขเพราะเราไปทําแท้งเข้ามาก่อนมันก็เลยต้องใช้เวรใช้กรรมมันไปคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะจิตรวมเป็นเอกขาขาตาเป็นอัปน า, าเป็นอัปนาสมาธิเลยใช่ไหมคะหรือจิตรวมแรกๆเป็นขั้นไหนคะ มันก็อาจจะยังไม่เต็มที่ไงก็อาจจะเป็นเหมือนพระจารย์น่ยยังไม่เต็มดวงบางทีเสี้ยวหนึ่งบางทีครึ่งดวงบางทีเต็มดวงความสง บ, บมันก็ค่อยๆขยับไปจนกว่ามันจะเข้าสู่ระดับอัปนาสมาธิมันถึงจะเต็มดวงคำถามจากทางเฟ e บ o o กพระอาจารย์สุชาติค่ะ ยาขาดจากกันแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเขาขอความช่วยเหลือเพราะตกยากเราไม่ช่วยเป็นบาปไหมเจ้าคะ่ะเขาสร้างความทุกข์ยากให้เราตลอดเวลาขณะที่อยู่ด้วยกันสาธุเจ้าคะ่ะไม่บาป แ, แต่ขาดความเมตตามไม่ได้บุญเท่าถ้าอยากจะได้บุญก็ช่วยเหลือก็ไปตามตามมีตามเกิดตามตามเหตุตามผลคิดว่าครั้งหนึ่งก็เคยรักกันเคยมีอะไรต่อกันเมื่อเขาทุกข์ยากเดือดร้อนพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป ยกเว้นว่าเขาทำตัวให้เป็นคนที่จะต้องคอยให้คนอื่นช่วยหรือตลอดเวลางอมืองอเท้าอย่างนี้เราก็อาจจะปฏิเสธไปก็ได้ตอนนี้ไม่มีคำถามค่ะอืมอีกายากาจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมถามได้นะตอนนี้พอเลิวก็อยากเข้ามาถามขอล้อง อ่าไม่เป็นไรไม่มีก็ไว้ไอ่ามีมีหรือเปล่าอ่ายังมีอยู่อ๋อทำแล้ ว, ลวไม่ยังไม่มีค่ะทาไมมีก้าวําเอาเอ า, เอาแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้ไว้โอกาสหน้าค่อยมาถามคุยกันต่อขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด